2. ประวัติวานสาอุ ป, ปาธนิโรธวานหนึ่งปัจจุปันนาวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันอนุโลมบุคคล 136. อ, อนุโลมปุจ ช, ชาทุกกระับของบุคคลใดกำลังเกิดสมุทยสั์ของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัดชนะไม่ใช่ปฏิโลมปุชชา สมุทัยตั์ของบุคคลใดกำลังดับทุกขตั์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาทุกขตย์ของบุคคลใดกำลังเกิดมรรคตัดของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัดชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉามรรคตั์ของบุคคลใดกำลังดับทุกขตย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาไม่ใช่ 137อนุโลมปุชชาสมุทัยสัตว์ของบุคคลใดกําลังเกิดมรรคสัตว์ของบุคคลนั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิจัตชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุชชามรรคสัตว์ของบุคคลใดกําลังดับสมุทัยสัต์ของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัตชนาไม่ใช่อนุโลมโอกาสามสอนุโลมปุชชา ทุกขจัตในภูมิใดกําลังเกิดสมุทธยจัตในภูมินั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิจัดชนาในอาจารยาจัตตภูมิในภูมินั้นทุกขจัตกาลังเกิดแต่ตมุทธยจัตไม่ใช่กําลังดับละในวงเล็บคําที่ท่านกําหนดว่าในภูมิใดเหมือนกันทั้งในอุปาทวานนิโรธวานและอุปาทานิโรธวานไม่มีข้อแตกต่างกันอนุลมปุกคโลกาด 139อนุโลมปุจฉาทุกกระัดของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดสมุดทะยจั์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิจัดชนาไม่ใช่ในมุลเล็บคําที่ท่านกําหนดว่าของบุคคลใดและของบุคคลใดในภูมิใดเหมือนกันปัจจณีกับบุคคล1นึ่ออนุโลมปุจฉา ทุกขจัตของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดสมุทยัยจัตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิจารนาในพังค ข, ขณะนแห่งตันหาทุกขจัตของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่สมุทยัยจัตมีใช่ไหมกำลังดับบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติในพังค ข, ขณะแห่งจิตที่วิปยุทธจากตันหาในประวัติการ และในอุปาทัศะแห่งมรรคและผลแนวรูปประภูมิทุกขัสสะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและสมุทยัยสัจก็ไม่ใช่กำลังดับปฏิรมปุจฉาสมุทยัยสัจของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับทุกขัสสะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจตชนาบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติในอุปาทขศนาแห่งจิตในประวัติการ สมุธยสั์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับแต่ทุกขสั์มิใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติในพังคาขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากตันหาในประวัติการและในอุปาทขณะแห่งมรรคและผลแนวรูปประภูมิสมุธยสั์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับและทุกขสั์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุจฉา ทุกขจัตของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดมรรคจัตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิจัดชนาะในพังคขณะแห่งมรรคทุกขจัตของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่มรรคจัตมิใช่ไม่กำลังดับบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติในพังคขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากมรรคในประวัติการและในอุปาทขณะแห่งมรรคและผลในอรูปประภูมิ ทุกขจัตของบุคคลเนั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมรรคจัตก็ไม่ใช่กำลังดับปฏิโลมปุจฉามรรคจัตของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับทุกขจัตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัตในอุปาทขศนาแห่งจิตในประวัติการมรรคจัตของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับแต่ทุกขจัตมิใช่ไม่กำลังเกิด บุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติในพังขขณะแห่งจิตที่วปยุติจากมรรคในประวัติการและในอุปาทข้าณะแห่งมรรคและผลในรูปประภูมิมรรคกัจจ์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับและทุกขจัจจ์ก็ไม่ใช่กําลังเกิด141อนุโลมปุจฉาสมุทัยจัตจ์ของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดมรรคกัจจ์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหม วิจัชนาะในพังคณขณะแห่งมรติสมุทัยจัตรรดของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่มตรรคจัดมิใช่กำลังดับในอุปาทคณะแห่งจิตที่วิปยุจจากตันหาในพังคขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากมรติบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้บัตรอยู่ในสัญญจัตตภูมิสมุทัยจัต์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมรรคจัดก็ไม่ใช่กำลังดับ ปฏิรมปุจฉามัคคสัจของบุคคลใดไม่ใช่กําลังดับสมุทัยสัจของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขคณะแห่งตันหามัคคสัจของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับแต่สมุทัยสัจมิใช่ไม่กําลังเกิดในพังคขคณะแห่งจิตที่วิปยุจจากมัคในอุปาทัคณะแห่งจิตที่วิปยุจจากตันหา บุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัตและบุคคลผู้บัตรอยู่ในอสัญญาตตภูมิมักกะสัตของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับและส ม, ม, มุทญัตจัดก็ไม่ใช่กำลังเกิดปัจจณีกะโอกาส142อนุโลมปุจฉาทุกขตัตในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดละปัจจณีกับปุก ค, คโลอกาสี่3อนุโลมปุจฉา ทุกการัดของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดละในวงเล็บคําที่ท่านกําหนดว่าของบุคคลใดแต่ของบุคคลใดในภูมิใดเหมือนกันในคําที่ท่านกําหนดว่าของบุคคลใดในภูมิใดไม่พึงเพิ่มคําว่าบุคคลผู้เข้านิโรธทัศมาบัติ 2. อ, อตีตวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอดีตอนุโลมบุคคล 144อนุโลมปุชชาทุกกระตัของบุคคลใดไม่เคยเกิดสมุดทยะยัสตัดของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัตชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสมุทยะยัตตัดของบุคคลใดเคยดับและวิจัตชนาใช่ในวงเล็บพึงจำแนกอนุโลมและปัจจานีกะแมในอุปาธนิโรธวานให้เหมือนกับอตีตปุจฉาในอุปาทวาน สามอนาคตาวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอนาคตอนุโลมบุคคล14ึอนุโลมปุจฉาทุกการัดของบุคคลใดจะเกิดสมุทัยตัดของบุคคลนั้นก็จะดับใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอรหัตตมรักอรหัตตบุคคลบุคคลจกได้อรหัตมรักในลำดับแห่งจิตใด ในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นทุกกระตัดของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่สมุดทะยสัตว์ไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ทุกกระตั์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและสมุดทะยสัตดก็จัดดับปฏิโลมปุจฉาสมุดทะยสัตว์ของบุคคลใดจักดักบละพิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาทุกกระตั์ของบุคคลใดจะเกิดมรคสัต์ของบุคคลนั้นก็จัดดับใช่ไหม วิจัชนาในพังคขณะแห่งอรหัตตมักอรหันตะบุคคลและบุคคลผู้เป็นปุตุชนทึงจักไม่ได้มักทุกขสัตของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่มักขะสัตไม่ใช่จักดับในอุปาทขณะแห่งอรหัตตมักบุคคลจักไดอรหัตตมักในลำดับแห่งจิตใจในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นและบุคคลเหล่าอื่นผู้จักได้มักทุกขะสัตของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและ มกษัตริย์ก็จักดับปฏิโดมปุจฉามกษัตริย์ของบุคคลใดจักดับละวิจัชนาใช่หนึอ่อนุโลมปุจฉาสมุทรยศจัตรบุคคลใดจะเกิดมกษัตริย์ของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้เป็นปุุชนซึ่งจักไม่ได้มักสมุทรยศของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่มกษัตริย์ไม่ใช่จักดับ บุคคลผู้จักได้มรติสมุทัยสัจของบุคคลนั้นจะเกิดและมรรคสัจก็จักดับปฏิโลมปุจฉามรรคสัจของบุคคลใดจักดับสมุทัยสัจของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขณาแห่งอรหัตตมรติบุคคลจักได้อรหัตตมรติในลำดับแห่งจิตใดในมุเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นมรรคสัจของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่สมุทัยสัจไม่ใช่จะเกิด บุคคลผู้จักได้มักมักขัดขั์ของบุคคลเหล่านั้นจักดับและสมุทยรยะจตดก็จะเกิดอนุโลมบุคคล147อนุโลมปุจฉาทุกขจั์ในภูมิใดจะเกิดและอนุโลมปุกคโลกาฏ1 4ึอนุโลมปุจฉาทุกขจัดของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิด สมุทัยจัตต์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิจาชนาบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยรหัตตะมักอรหันตะบุคคลบุคคลจะได้อรหัตตะมักในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นและบุคคลผู้บัตยู่ในอสัญญาสัตตภูมิทุกขจัต์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่ตมุทยัยจั์ไม่ใช่จักดับ บุคคลนอกนี้ผู้บวิอยู่ในจตุวการภูมิและปัญจโวการภูมิทุกขจัตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและสมุทยจัต์ก็จะดับในวเล็บคําที่ท่านกําหนดว่าของบุคคลใดและของบุคคลใดในภูมิใดเหมือนกันปัจจณีกับบุคคลหนึออนุโลมปุจฉา ทุกขจัตของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดสมุทัยจัตต์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโรมปุจฉาสมุทัยจัตต์ของบุคคลใดไม่ใช่จักดับทุกขจัตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอรหัตตะมักอรหันตบุคคลได้บุคคลจักได้อรหัตตะมักในลำดับแห่งจิตใดในมุลเลในลำดับแห่งจิตนั้น สมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จากดับแต่ทุกขสัตว์ไม่ใช่จากไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิตสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จากดับและทุกขสัตว์ก็ไม่ใช่จากเกิดอนุโลมปุจฉาทุกขสัตว์ของบุคคลใดไม่ใช่จากเกิดนกสัตว์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากดับใช่ไหมวิจัตชนาใช่ปฏิโลมปุจฉา มักกัตัดของบุคคลใดไม่ใช่จักรดับทุกกะจย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิจัดชนาในพังขคณะแห่งอรหัตตะมักอรหันตะบุคคลและบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มักมักกะจัดของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับแต่ทุกกะจย์มีใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยปัจฉิมจิตมักกะจย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับและทุกกะจย์ ก็ไม่ใช่จะเกิด150อนุโลมปุจฉาสมุทธยัตั์ของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดมรรคตั์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัดชนาะในอุปาทขณาแห่งอรหัตตมักบุคคลจกได้อรหัตมักในลำดับแห่งจิตใจในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นสมุดธยัตั์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิด แต่มรรคสัตว์ไม่ใช่จักไม่ดับในพังคข้าขนาแห่งอรหัตมรักอรหันต์บุคคลสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดและมรรคสัตย์ก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉามรรคสัตย์ของบุคคลใดไม่ใช่จักดับสมุทัยสัตว์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้เป็นปุตุชนทั้งจักไม่ได้มรัก มรรคจัตต์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักรดับแต่สมุทัยจัตต์มิใช่จักไม่เกิดในพังคะขณะแห่งอรหัตตมรรคอรหันตบุคคลมรรคจัตต์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับและสมุทัยจัตต์ก็ไม่ใช่จักเกิดปัจจณีกัโอกาส151อนุโลมปุจฉาทุกจัตต์ในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดละปัจจณีกะ บุคลอกาศหนึอสิบสอนุโลมปุจฉาทุกขจัตของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดละในมืงเล็บคาที่ท่านกําหนดว่าของบุคคลใดและของบุคคลใดในภูมิใดเหมือนกันสมุทัยจัตกับมรรคจัตมีข้อแตกต่างกันคือในพังค ข, ขา้าณะแห่งอรหัตตะมักอรหันตะบุคคล และบุคคลผู้บัตอยู่ในสัญญาัตตภูมิมรรคจัตต์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและสมุทรยัจจ์ก็ไม่ใช่จะเกิดสปัจจุปันนาตีตะวานันว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันและที่เป็นอดีตอนุโลมบุคคลหนึ่งอห้าสาอนุโลมปุจฉาทุกขจัตต์ของบุคคลใดกําลังเกิด สมุทะยัดตัของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสมุทะยัดตัของบุคคลใดเคยดับละหนึ่งเล็บคำถามที่เป็นอดีตพร้อมกับปัจจุบันในอุปาทวานก็ดีอุปาทนิโรธวานก็ดีคำที่ท่านกําหนดว่าของบุคคลก็ดีของบุคคลใดในภูมิใดก็ดีเหมือนกันทั้งอนุโลมและปัจจนิกะ ผู้มีปัญญาพึงจำแนก 5. ปัจจุปันนานาคตาวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันและที่เป็นอนาคตอนุโลมบุคคล 154. อนุโลมปุจฉาทุกกระตั์ของบุคคลใดกำลังเกิดสมุทยัยตั์ของบุคคลนั้นก็จะดับใช่ไหมวิจัดชนาในอุปาทคณาแห่งอรหัตตะมัก และในอุปาทัศนาแห่งจิตของอรหันตบุคคลบุคคลจักได้อาราตมักในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทขศนาแห่งจิตนั้นทุกขจัตของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่สมุทยจัตไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ซึ่งกําลังอุบัติในอุปาทขศนาแห่งจิตในปวัตติการทุกขจัตของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและสมุทยจัตก็จักดับ ปฏิโลมปุจฉาสมุทดทีตจั์ของบุคคลใดจักดับทุกขจัตของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติในพังขคณาแห่งจิตในประวัติการและในอุปาทขณาแห่งมรรคและผลในอรูปปภูมิสมุทดทีตจั์ของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่ทุกขจัตไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังอุบัติ ในอุปาทัศนาแห่งจิตในประวัติการสมุทยียยัดของบุคคลเหล่านั้นจักดับและทุกข์จัดก็กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาทุกขจัตดของบุคคลใดกําลังเกิดมรรคจัดของบุคคลนั้นก็จัดดับใช่ไหมวิตัตชนาะในอุปาทขศนาแห่งจิตของอรหันตบ์บุคคลบุคคลผู้เป็นปุตุชนที่จักไม่ได้มรรคซึ่งกําลังอุบัติ ในอุปาทขคณะแห่งจิตในประวัติการทุกขจัตของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่มกากจัตไม่ใช่จักดับในอุปาทขคณะแห่งอรหัตตมรักบุคคลจักได้อรหัตมรักในลําดับแห่งจิตใดในอุปาทขคณะแห่งจิตนั้นบุคคลเหล่าอื่นผู้จักได้มรักซึ่งกําลังอุบัติในอุปาทขคณะแห่งจิตในประวัติการ ทุกขัสระของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและมรรคสัตว์ก็จักดับปฏิโลมปุจฉามรรคสัตว์ของบุคคลใดจักดับทุกขัสส์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนะในพังคฆนาแห่งอรหัตตมรรคบุคคลจักได้อรหัตมรรคในลำดับแห่งจิตใดในพังคฆณะแห่งจิตนั้นบุคคลเราอื่นพูดจักได้มรรคซึ่งกาลังจติ ในพังคัศนาแห่งจิตในประวัติการและในอุปาทขศนาแห่งมรรคและผลในรูปปภูมิมรรคสัตย์ของบุคคลเหล่านั้นจัดดับแต่ทุกขสัตย์ไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทขศนาแห่งอรหัตตมรรคบุคคลจักได้อรหัตมรรคในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทขศนาแห่งจิตนั้นบุคคลเราเอื่องู้จักได้มรรคซึ่งกำลังอุบัติในอุปาทขศนาแห่งจิตในประวัติการ มรรคสัจของบุคคลเหล่านั้นจักดับและทุกขสั์ก็กำลังเกิดหนึ่ง้อยห้าสิบห้าอนุโลมปุจฉาสมุทยัยสัตต์ของบุคคลใดกำลังเกิดมรรคสัจของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิตัชชาในอุปาทัคณะแห่งตัณหาของบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มรรคสมุทยัยสัต์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่มตรรคสัจไม่ใช่จักดับ ในอุปาทขศนาแห่งตันหาของบุคคลผู้จักได้มักสมุดทะยสัตของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและมกษัตรก็จักดับปฏิโลมปุจฉามกษัตรของบุคคลใดจักดับสมุดทะยสัตของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจารนาในอุปาทขศนาแห่งอรหัตตมักบุคคลจักได้อรหัตตมักในลำดับแห่งจิตใดในอุปปาทขศนาแห่งจิตนั้น ในพังคัศนาแห่งตันหาของบุคคลเหล่าอื่นผู้จักได้มักเมื่อจิตที่วิปยุตจากตันหาเป็นไปอยู่บุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัตและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิมักขัสสัตของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่สมุทยสัต์ไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทัศนาแห่งตันหาของบุคคลผู้จักได้มักมักขัสสัตของบุคคลเหล่านั้นจักดับและสมุทยสัต ก, ก็กำลังเกิด อนุโลม์โอกาดหนึ่งห้าสิบหอนุโลม์ปุจฉาทุกกระตัดในภูมิใดกําลังเกิดและอนุโลมปุกคโลกาดหนึ่ง้อห้าสิบเจอนุโลม์ปุจฉาทุกกตะตัดของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดสมุดทียตัดของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะดับใช่ไหมวิจัชนา ในอุปาทาขณะแห่งอรหัตมรักและในอุปาทาขศนาแห่งจิตของอรหันตบ์บุคคลบุคคลจักได้อรหัตมรักในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทาขศนาแห่งจิตนั้นบุคคลผู้กําลังอุบัติในอนาจารยัตตภูมิทุกการัดของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่สมุทยัยัดไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ผู้กําลังอุบัติในจตุโวการภูมิและปัญจโวโการภูมิ ในอุปาทขศนาแห่งจิตในประวัติการทุกขจัต์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและสมุทัยจัต์ก็จักดับปฏิโลมปุจฉาสมุทัยจัตของบุคคลใดในภูมิใดจักดับทุกขจัต์ของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจชนะนาบุคคลผู้กำลังจุติจากจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิ ในพังคะขณะแห่งจิตในประวัติการและในอุปาทขณะแห่งมรรคและผลในอรูปประภูมิสมุทัยจั์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่ทุกขจั์ไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้กําลังอุบัติในจตุโวการาภูมิและปัญจโวการาภูมิในอุปาทขณะแห่งจิตในประวัติการสมุทัยจัต์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและทุกขจั์ก็กําลังเกิด อนุโลมปุจฉาทุกกรตัดของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดมรรคตัดของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะตับใช่ไหมวิจัดชนาะในอุปาทขศนาแห่งจิตของอรหันตบ์บุคคลบุคคลผู้บัติอยู่ในอบายภูมิและบุคคลผู้เป็นปุถุชนที่จักไม่ได้มรรคซึ่งกําลังอุบัติในอุปาทขศนาแห่งจิตในประวัติการ บุคคลผู้กําลังอุบัติในอบายภูมิและอสัญญาจตภูมิทุกขจัต์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่มตรรจจ์ไม่ใช่จักรดับในอุปาทขคณาแห่งอรหัตตมรรจบุคคลจักได้อรหัตมรรจในลําดับแห่งจิตใดในอุปาทขคณาแห่งจิตนั้นบุคคลเหล่าอื่นพูดจักได้มรรจซึ่งกําลังอุบัติในอุปาทขคณาแห่งจิตในประวัติการทุกขจัต์ ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและมัคคสัตต์ก็จักดับปฏิโลมปุจฉามัคคสัตต์ของบุคคลใดในภูมิใดจักดับทุคสัตต์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาะในพังคข้าณาแห่งอรหัตตมัคบุคคลจักได้อรหัตตมัคในลําดับแห่งจิตใดในพังคขณะขแห่งจิตนั้นบุคคลเหล่าอื่นผู้จักได้มัคซึ่งกําลังจุติ ในพังค ข, ขณะแห่งจิตในประวัติการและในอุปาทขณะแห่งมรรคและผลในอรูปประภูมิมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจัดดับแต่ทุกขสัตว์ไม่ใช่กําลังเกิดในอุปาทขณะแห่งอรหัตตมรรคบุคคลจะได้อรหัตมรรคในลําดับแห่งจิตใดในอุปาทขณะแห่งจิตนั้นบุคคลเหล่าอื่นผู้จักได้มรรคซึ่งกําลังอุบัติ ในอุปาทคณาแห่งจิตในประวัติการมัคคสัตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจัดดับและทุกษัตริย์ก็กําลังเกิด158อนุโลมปุจฉาสมุทัยสัตย์ของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดมัคคสัตของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จัดดับใช่ไหมวิจัดชนาะ ในอุปาทขศนาแห่งตันหาของบุคคลผู้บัดอยู่ในอบายภูมิและบุคคลผู้เป็นปุตตชนตึ้งจักไม่ได้มักสมุทยัยจั์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่มักจั์ไม่ใช่จักดับในอุปาทขศนาแห่งตันหาของบุคคลผู้จักได้มักสมุทยัยจัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่มักจั์ก็จักดับปฏิรมปุจฉา มากษัตรย์ของบุคคลใดในภูมิใดจากดับสมุทัยศัตร์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กาลังเกิดใช่ไหมวิจัชนะในอุปาทัคณาแห่งอรหัตตมัคบุคคลจากไดอรหัตตมัคในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทัณาแห่งจิตนั้นในพัง ข, ขณาแห่งตัณหาของบุคคลเหล่าอื่นผู้จักได้มัคเมื่อจิตที่วิปยุจจากตัณหาเป็นไปอยู่ มรรคจัตต์ของบุคคลเหล่านั้นในปู่มนั้นจักดับแต่สมุทัยจัตต์ไม่ใช่กำลังดับในอุปาทขณาแห่งตันหาของบุคคลผู้จักได้ ม, มรรคมรรคจัตต์ของบุคคลเหล่านั้นในปู่มนั้นจักดับและสมุทัยจัตต์ก็กำลังเกิดปัจจณีกับบุคคล159อนุโลมปุจฉาทุกขจัตต์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดสมุทัยจัตต์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหม วิสัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติในพังขขณะแห่งจิตในปวัติการและในอุปาทขณะแห่งมรรคและผลแนวรูปประภูมิทุกขจัต์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่สมุทัยจัตไม่ใช่จักไม่ดับในพังขนขณะแห่งอรหัตมรรคและในพังค ข, ขณะแห่งจิตของอรหันตบุคคลบุคคลจักได้อรหัตมรรคในลำดับแห่งจิตใด ในพังค้าขณะแห่งจิตนั้นในอุปาทขณาแห่งอรหัตมรักและอรหัตตผลในอรูปปภูมิทุกขจัตของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและสมุทัยจัตก็ไม่ใช่จักระดับปฏิโลมปุจฉาสมุทัยจัตตของบุคคลใดไม่ใช่จักดับทุกขจัตของบุคลบบคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจชนาะในอุปาทขณาแห่งอรหัตมรักและในอุปาทขณาแห่งจิต ของอรหันตบุคคลบุคคลจักได้อรหัตมักในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทขคณาแห่งจิตนั้นสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักตับแต่ทุกขสัจมิใช่ไม่กำลังเกิดในพังคขคณะแห่งอรหัตมักและในพังคขคณาแห่งจิตของอรหันตบุคคลบุคคลจักได้อรหัตมักในลำดับแห่งจิตใจในพังคขคณาแห่งจิตนั้นและในอุปาทขคณาแห่งอรหัตมัก และอรหัตผลในอรูปภูมิสมุทยัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับและทุกขสัตว์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาทุกขสัตว์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดมรรคสัตว์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจาชนาในพัง ข, ข้าาแห่งมรรคบุคคลจะได้อรหัตมรรคในลำดับแห่งจิตใดในพัง ข, ข้าขแห่งจิตนั้น บุคคลเหล่าอื่นผู้จักได้มรรคซึ่งกำลังจุติในพังคฆะขณะแห่งจิตในประวัติการและในอุปาทขณะแห่งมรรคและผลในอรูปปภูมิทุกขัสต์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่มรรคสัตว์มิใช่จักไม่ดับในพังคฆขณะแห่งอรหัตมรรคและในพังคฆะขณะแห่งจิตของอรหันต์บุคคล บุคคลผู้เป็นปุถุชนที่จักไม่ได้มรรคซึ่งกำลังจุติในพังท ข, ขณะแห่งจิตในประวัติการและในอุปาทขศนาแห่งอรหัตผลในอรูปประภูมิทุกขัสั์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมรรคสัจก็ไม่ใช่จักดับปฏิโรมปุจฉามรรคสัจของบุคคลใดไม่ใช่จักดับทุกขัสั์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจชนาะ ในอุปาทคณาแห่งจิตของอรหันตบุคคลบุคคลผู้เป็นปุถุชนที่จักไม่ได้มักซึ่งกำลังอุบัติในอุปาทคณาแห่งจิตในประวัติการมัรขัดของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับแต่ทุกคตัดมิใช่ไม่กำลังเกิดในพังคคณะแห่งอรหันตมักและในพังคคณะแห่งจิตของอรหันตบุคลบคล บุคคลผู้เป็นปุถุชนที่จักไม่ได้มรรคซึ่งกำลังจุติในพังคะขณะแห่งจิตในประวัติการและในอุปาทขณะแห่งอรหัตผลในอรูประภูมิมรรคสัจของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับและทุคสัตย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิด160อนุลมปุจฉาสมุทยัตั์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดมรรคสัจของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหม วิจัชนาในอุปาทขศนาแห่งอรหัตมรักษบุคคลจกได้อรหัตมรักษ์ในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทขศนาแห่งจิตนั้นในพังคัศนาแห่งตัณหาของบุคคลเหล่าอื่นพูดอยากได้มรักเมื่อจิตที่วิปยุตจากตัณหาเป็นไปอยู่บุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัตและบุคคลผู้อุบัตอยู่ในอสัญญัตตภูมิสมุทะยจัดของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิด แต่มกษัตริย์ม่ใช่จักไม่ดับในพังขคณาแห่งอรหัตตะมักในพังคขคณาแห่งตันหาของอรหันต บ, บุคคลและบุคคลผู้เป็นปุถุชนตึงจักไม่ได้มักเมื่อจิตที่เวิปยุ์จากตันหาเป็นไปอยู่บุคคลผู้เข้านิโรธทัชมาบัตและบุคคลผู้บัตรอยู่ในอาจาญย์ัตตภูมิสมุทัยจัต์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมกษัตริย์ก็ไม่ใช่จักดับ ปฏิรมปุจฉามัคคัจย์ของบุคคลใดไม่ใช่จักดับสมุทัยจัต์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขณาแห่งตัณหาของบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มัคมัคคัจย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับแต่สมุทัยจัตไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังคคณะแห่งอรหัตต์มัค ในพังขคณาแห่งตันหาของอรหันตบุคคลและบุคคลผู้เป็นปุถุชนตึงจักไม่ได้มักเมื่อจิตที่วิปยุจจากตันหาเป็นไปอยู่บุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัตและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอาศัญยตต ภ, ภ, ภ, ภูมิมรรคสัจของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับและสมุทยัยสั์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดปัจจีนิกาโอกาส161อนุโลมปุจฉา ทุกขจัตต์ในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดและปัจจณีกับปุกคโลกาตหนึอสิบสอนุโลมปุจฉาทุกขจัตต์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดสมุทยจัตต์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัดชนาะบุคคลผู้กำลังจุติจากจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิ ในพังคข้าณาแห่งจิตในประวัติการและในอุปาทขณาแห่งมรรคและผลในรูปปภูมิทุกขจัต์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่สมุทยจัตว์มิใช่จักไม่ดับในพังขณาแห่งอรหัตมรรคและในพังข้าณาแห่งจิตของอรหันตบุคคลบุคคลจักได้อรหัตมรรคในลําดับแห่งจิตใดในพังข้ณาแห่งจิตนั้น ในอุปาทขศนาแห่งอรหัตตะมักและอรหัตตผลในอรูปปภูมิบุคคลผู้กําลังจุติจากอสัญญาตตะภูมิทุกขจัตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและสมุทัยจัตก็ไม่ใช่จักดับปฏิโรมปุจฉาสมุทัยจัตของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับทุกขจัตของบุคคลนั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะ ในอุปาทขคณาแห่งอรหัตธรรมค์และในอุปาทขคณาแห่งจิตของอรหันตบ์บุคคลบุคคลจากได้อรหัตมรรค์ในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทขคณาแห่งจิตนั้นบุคคลผู้ ก, กําลังอุบัติในอสัญญาตตาภูมิสมุทียตัดของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่ทุกขัตย์มิใช่ไม่กําลังเกิดในพังคขคณะแห่งอรหัตมรรคและในพังคขคณาแห่งจิตของอรหันต์บุคคล บุคคลจากได้อารัตมักในลำดับแห่งจิตใดในพังข้าณาแห่งจิตนั้นและในอุปท า, าทขณะแห่งอรหัตตมักและอรหัตตผลในอรูปประภูมิบุคคลผู้กําลังจุติจากอสัญญตประภูมิสมุทยัยตัดของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักรดับและทุกข์จัดก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาทุกข์จัดของบุคคลใด ในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดมรรคสัตต์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักตับใช่ไหมวิจัชนาะในพังคฆนาแห่งมรรคบุคคลจักได้ราตามรรคในลําดับแห่งจิตใดในพังคฆนาแห่งจิตนั้นบุคคลเหล่าอื่นพูดจักได้มรรคตึงกาลังจุติในพังคฆนาแห่งจิตในประวัติการและในอุปาทขณะแห่งมรรคและผลในอรู ป, ปภูมิ ทุกขษัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่มกษัตย์มีใช่จักไม่ดับในพังคขขณะแห่งอรหัตตมรรคและในพังคขฆขะแห่งจิตของอรหันตบุคคลบุคคลผู้บาดอยู่ในบายภูมิและบุคคลผู้เป็นปุถุชนที่จักไม่ได้มรรคซึ่งกาลังจุติในพังคฆขะนาแห่งจิตในประวัติการ และในอุปาทขศนาแห่งรหัตผลในรูปประภูมิบุคคลผู้กำลังจุดติจากอบายภูมิและอสัญญสัตภูมิทุกกะจัตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมรคสั์ก็ไม่ใช่จักดับปฏิโรมปุจฉามรคสัจของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับทุกกะจัตของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กาลังเกิดใช่ไหมวิจชนาะ ในอุปาทขคณาแห่งจิตของอรหันตบ์บุคคลบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอบายภูมิและบุคคลผู้เป็นปุถุชนที่จักไม่ได้มรรคซึ่งกําลังอุบัติในอุปาทขคณาแห่งจิตในประวัติการบุคคลผู้กําลังอุบัติในอบายภูมิและอัศญยจตตาภูมิมรรคกสัตต์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่ทุกสัตต์มิใช่ไม่กําลังเกิด ในพังคขณะแห่งอรหัตตะมักและในพังคขั้นาแห่งจิตของอรหันตะบุคคลบุคคลผู้บาดอยู่ในอบายภูมิและบุคคลผู้เป็นปุถุชนที่จักไม่ได้มักซึ่งกำลังจุติในพังคขั้นาแห่งจิตในปวัตติการในอุปาทขั้นาแห่งอรหัตตะผลในอารมณ์ปปภูมิบุคคลผู้กำลังจุติจากอบายภูมิและอสัญญา ต, ตภูมิ มรรคสัจของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและทุกขสั์ก็ไม่ใช่กำลังเกิด1 6ึ่อนุโลมปุจฉาสมุทยรยศสั์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดมรรคสัจของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิตัชนาะในอุปาทคณาแห่งอรหัตตะมัก บุคคลจักได้อรหัตมักในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทขณาแห่งจิตนั้นในพังคคณาแห่งตันหาของบุคคลเหล่าอื่นผู้จักได้มักเมื่อจิตที่เวปยุทธจากตัญหาเป็นไปอยู่สมุทยสั์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่มกสัจมิใช่จักไม่ดับในพังคขณาแห่งอรหัตมักอรหันตับุคคล และในพังคขคณาแห่งตันหาของบุคคลผู้บัตรอยู่ในอบายภูมิและบุคคลผู้เป็นปุถุชนตึ่งจักไม่ได้มักเมื่อจิตที่วิปยุตจากตันหาเป็นไปอยู่บุคคลผู้อุบัติอยู่ในอัญาตัตภูมิสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมกษัตรก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉามกษัตรของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับ สมุทัยจัต์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาะในอุปาทขณาแห่งตันหาของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอบายภูมิและบุคคลผู้เป็นปุตุชนตึงจักไม่ได้มักมักจัตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่สมุทัยจัต์มิใช่ไม่กำลังเกิดในพังคขณะแห่งอรหัตต์มักและในพังคขณะแห่งตันหา ของอรหันตบุคคลบุคคลผู้บัตยู่ในบายภูมิและบุคคลผู้เป็นปุถุชนตึ่งจักไม่ได้มักเมื่อจิตที่เวิปยุจจากตันหาเป็นไปอยู่บุคคลผู้บัตยู่ในอัญฉริตตภูมิมักกษัตรกับบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและสมุทยจัตก็ไม่ใช่กําลังเกิด 6. กอตีตานาคตาวานว่าด้วยสภาวะธรรมที่เป็นอดีต และที่เป็นอนาคตอนุโลมบุคคล164อนุโลมปุจฉาทุกขจัตของบุคคลใดเคยเกิดสมุทัยศัตของบุคคลนั้นก็จะดับใช่ไหมในวงเล็บผู้รู้จำแนกอตีตปุจฉากับอนาคตตปุจฉาในนิโรธวานทั้งอนุโลมและปัจจนีกะฉันใด ในอุปาทิโรโธวานก็พึงจำแนกฉันนั้นอุปาทิโรโธวานจบปวัตติวานจบ